อ่าเอาลงรรกันไม่น่าที่ต้องพัฒนาตัวเองไดให้เกิดประโยชน์จะให้มีโทษเราอยู่ในโลกนี้ก็พึ่งผาใาัย หา ย, ยากินทร์้าอากาศอาหารการกินเึ่งนุ่งเครื่องห่มที่อวัยอย่ยารักษาโรคตา ก, ก็เพึ่งพา อ, อาศัยกันด้วยเก็บไข่ได้ป่วยตึ่งพากัน ใ่้เราอยู่ที่นี่ก็เพิ่งเาอใส่กันให้เช่เราอยู่คนเดียวแต่น้นเราก็ต้องมีนี่บนคนของพระพุทธเจ้าที่มีจีวอนนุ่งหม่มมีผ้าขาวนุ่งหม่มผลผมอยู่วัดสถา สาธาสถานไมเข้าวมีเบญทบาทได้ฉันเตะข้องเตกองเบญทบาทมีคนคู่คนมาช่วยเรามาให้อาหารการฉันวันนี้ก็ข้าวันข้าวก๋อยชาตเสร็จไปแล้วชาวบ้านเขาทำบุญ รวมยอดเป็นศาสตร์ลาววันเป็นเดือนสิบเป็นเดือนวันดับก็เป็นศาสตร์ไทยงานทำบรญชาวานจบไปตามจ่ารีสิบสงองคลองสิบสี่แต่พวกเรายังต้องทำอยู่เรา ได้มาที่เขาใง้ศรัทธามาให้เราต้องถือว่าใช้ความดีของเขาเวลาจะนุ่งหอมเจียวรอก็พิจารณาเจียวลังปฏิพุทธังเวลาฉันก็พิจาจรณ า, อ า, า, าอาหารและเบญาปาตัง เราอยู่อาศัยเซนาสนาปาตังเราไม่ยกปัญารักษาโลกก็ขีดลาไปตังแต่เราจะครบจะฉันไม่ใช่เราได้มาเองมีคนมาให้เราถ้าฉันไม่เป็นก็เป็นบาปอย่างเมื่อวานนี่เขามีสลากพัดทาเวน าเวนนี่พาเวนนี่เพื่ออุทิศแต่ยังเปรตชนปล่อยชตูปชีวีแต่ไม่ได้มีความ่มหมาหจะให้เราสักครึ่งหนึ่งให้เปรตชนครึ่งหนึ่งซะเราจะฉันอาหารที่เขาพาเวนฉลากพัดให้เหมือนสังฆทาน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 เจ้าอธิการเจ้าอธิการผู้แจกก็คือเจ้าวาดนั่นแหละเรียกว่าพระอธิการเมื่อเป็นเจ้าวาดก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นพระอธิการยังไม่เป็นเจ้าวาดก็พระภิกษุผู้ทำดูแลสงฆ์ที่นี่ทุกวันนี้ก็เรื่องของที่้าบ้าน อุปโลกให้แล้วจัดมาเป็นภาชนะมาวางไว้โนโตเอาจัดบาแล้วแล้วก็เราก็ไปรับแกกที่หลังอีกที่หนึง่งไม่ใช่ของที่ทิ้งข่้งมีคนมีจัทธานํำ ม, มาไม่ต้องแกกไปบินธบาทก็ไม่ต้องมา อุปโลกอีกมีจิดฉันได้เวลาบินถบาทกลับมาของที่ตกในบาทอย่าพึ่งไปให้ใครให้ตัวเองพิจารณาดูก่อนเขาประสงค์จะให้พระสงฆ์ถ้าบินถบาทได้มาเห็นลูกเห็นหลานพวกขนมอบอกจากบาทให้ลูกให้หลานอันก็ถือว่าผิดวินยัย ต้องพิจารณาก่อนพิจารณาแล้วจะเอาอะไรก็เอาชาะถ้เหลือนั่นก็แกกคนอื่นอย่าหวงบริโภคคู่เดียวนี่เรียกว่าอุปโลกชาวบ้านอุปโลกให้เอามาวางเป็นภาชนะมาวางใส่ถ้วยใส่ชามให้พวกเราอันนี้ไม่ต้องอุปโลกแต่เรายังจะต้อง บาริโภคด้วยพิจารณาเนืององว่าอวลานี่เราจะฉันมิดาบัดเพื่ อ, อยังไงเพื่อเป็นไปเพื่ออย่างไงไม่ได้ประมาท ต, ต่อต้องใช้นี่ไปเรื่อยๆการใช้นี่คือปีนดาวางที่วางแหง ก่ะฉันพระทั้งหลายก็ต้องถวายพระพุธถวายข้าวพระพุทธก่อนกอนลมือขึ้นว่าอิมังสารุปลังสาริดังโพชานังอุตะกังวลังพุทธะสาภุเขเมถวายพระเจ้าแล้วแล้วก็เสสังมังค่ายะจามิรับเสษพระเจ้าเหมือนกับมีควารู้สึกอย่างนั้น อาหารที่เราฉันได้มาจากพู้เจ้าถวายพู้เจ้าก่อนจึงมารับเศษที่หลังไม่ใช่โ ม, มมามอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์นักปวดเราไม่ฉีด้วยญาตโยมที่อยู่ในวัดนี่ทุกคนด้วย <c oughs> จึงไม่ควรประมาทสิ่งที่ไม่ประมาทที่ดีที่สุดคือปฏิบัติธรรมนี้ให้มีความดี ตอที่จะนั่งให้คนกราบไหว้พอที่รับทักทานทักขีณทานชาวบ้านได้ถ้าไม่มีความดีม่ชี้เหนงแข็ ง, งใจปกปิดช่อดเลนเข้าเป็นบาปต้องมีความดีที่จะอยู่เสนาชนะที่เขาสร้างให้ที่จะนุ่งหอมจีบรที่เขาหามาให้ที่จะขวบจอยเคี้ยวต้องมีความดีมีศีลมีธรรม ให้เป็นเนื้อหนาบนของโลกจีทำให้เราไม่เป็นดีก็คือปฏิบัติธรรมมีการศึกษาปฏิบัติเนี่ยเราจึงอยู่ด้วยการแบบนี้เราไม่ได้ค้าขายไม่ได้มีอาชีพอะไรผลประโยชน์เรื่องอันไร ที่เกิดจากพวกเราที่อยู่ที่นี่ที่เป็นทักบวชก็เป็นของแผ่นดินเป็นของส่วนรวมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ควรจะมีบ้างในชีวิตของเราที่เกิดมาญาณน่อก็ไม่บีเเบียนตนไม่บีบเบียนคนอื่นช่วยเหลือจึงอื่นวัตถุอื่นให้เป็นไปในทางที่อยู่ที่ชอบพอจะเกิดประโยชน์ได้บ้าง ก็ภูมิใจถ้าเราไม่มีอะไรที่เกิดจากเราเลยจะสอนสีนสอนตอนนิดหน่อยก็ไม่ได้แต่ช่างน้อยเฉพาะตัวเป็นไปจิกับพุทธตายทิ้งไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยอันนี้ก็ประโยชน์น้อยเราต้องอมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้อง ให้มันเกิดความดีจากเราอย่างน้อยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนี่แหละเราไม่มีลูกไม่หลานเลี้ยงดูเหมือนญาติโยมเขาไม่ได้ทำไรทำนาหาข้าวปลาอาหารมาทำบนหททานแต่ทำบนแบบมีศีลมีธรรมเป็นส่วนหนึ่งมีความสันดด อาจะกจินจะนอนชังไหนก็ไม่กังวลไม่ป้องกันจนถึงให้มีปัญญาแก่กล้าเหนือการเกิด เ, เจ็บตายไปนูน่นตอนนี้เป็นงานของพวกเรามีแน่นอนการเกิดการแจก็การเจ็บการตาย สิ่งที่เราทำอยู่นี้ปฏิบัติทำอยู่นี้อันเพื่อการนั่นโดยตรงไม่ใช่เพื่อลาบสั ก, กระเสียงเสิญเยนโยไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องวอริวานเป็เจ้าระทิอันไล่งองไปสู่มรกผลนิพานเป็นที่สุดหมายปลายทางของนักปวดของศาสนาของพุทธศาสนา ยังมีงานของเราที่ทําเนี่ยเรียว่ากรรมาฐานเรียกว่ากรรมอิปัจจนากรรมาฐานให้เกิดผลรวมข้นเพราะว่าก่าว่างใครหลงก็ไม่หลงบางอย่างใครหลงเรื่องหนึ่งเรื่องใดใครทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเคยโกรธเรื่องอันนั้นอันนี้ผ่านได้แล้วเป็นชีวิตที่เหนือ ลดของโลกได้บ้างมีโอกาสยกมาไหว้ตัวเองได้บ้างเม่เราไม่ได้อยู่เพศนี้ก็ยิ่งดีไปเป็นครว่าเจ้าจอมก็ได้ไม่เป็นลายแต่ผู้ที่อยู่ในเพศนี้ก็ทำเลื่อนนี้เลื่อยไปได้เป็นส่วนรวมตือนเช่าขึ้นมาก็ไหว้พระชนวน ปฏิบัติธรรมชวนการสอนการบอกการทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดใไ้ฟังให้เป็นนิมิตพอเห็นได้บ้างถ้าไม่มีนิมิตเห็นให้มีรจะให้คนดูอะไรอย่างพระศีท ธ, ธะเห็นนิมิตเห็นคนเกิด เห็นคนแก็เห็นคนเก็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นคนเกิดเห็นคนเจอะเห็นคนตายแล้วก็เห็นตรงๆอะไรที่มีนิมิตอีกเห็นสมณะเห็นนักปวดก็เลยเออนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งน่าจะเป็นไปได้ นักบวก็ไม่ใช่เหมือนอยู่กับคาร า, าจ่าโจมเด็กออกสันโดดโสตยอยู่ป่าอยู่วัดว่าอารามอาใส่คนอื่นเลี้ยงชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ปฏิพกอย่าจกไม่ขอขอไม่ได้นี่แต่สแสดง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 บางทีก็ไม่มีการป้องกันตัวได้เพราะเราไม่มีอะไร <c oughs> มีอะไรไม่ได้สตาวุธก็มีไม่ได้แต่ตาคือของมีคมอาวุธคือของคมทั้งปลายแหลมเรี ว, ว่าอาวุธไม่ใช่ของพวกเราเป็นนักบวชนักบวชก็มีบาตนม้จีวร เป็นสมบัติของเราญาติยมว่าจะงามในการสร้างบ้านสร้างเรือนและถูุจึิงของแต่พระนี่นักบวชนี่มีงามที่สุดคือบาทกับจีวรแต่จีวรใหม่มาเห็นมันเป็นอัติเกกันแลาว ถ้านอกอธิษฐานเรียกว่าอาธิเลกเกิดขึ้นแล้วนี่หลายไกลโทรไปหาเพื่อนในจีวอนไม้ถ้าไม่มีก็มาเอาได้ที่นี่มีผ้าหลายไกลที่ไม่ได้ใช้ก็มีคนมารับมีพระมาก็ให้ไป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 ไปนที่อาศัยด้วยนี่อันก็ททำถนนใหม่ก่อนตีที่มาว้านเราเนี่ยคอสะพานขาดแล้วจะทำไงเป็นโยธาได้ไหมพวกเรา <laughs> ไปช่วยกัน อ้าเอารถไปทุกก้อนหินมาลองคอถนอนสะพานตรงนั่นเน่อีกไม่นานนะเราจะขาดเลยจะลำบากถ้าไม่แก้ไขซะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเคยลำบากมาแล้วเป็นเกาะไปไม่ได้ไอ้ี่เนี่ยน้ำท่วมเคยมีมัอนกันน กอดเข้าสองวันก็มี <c oughs> แต่ก่อนน้ประมาทาวเนี่ยมันมีท่อนส่งเยอะแยะเอน้ำหลากมามันไหลไม่สะดวกระหว่างลำประเทาวกับฝายวัดเน่เสมอ ก, กันเลยน้ำต่วมทบถมแถวเนี่ยเป็นวัวควายตายบ้านเดือนเสียหายมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแอนวัวกระยก <c oughs> ด้านสะพานต้นนี้ขาดทำไมนะสะพานต้นนี้นะหลวงตาเป็นคนขอมาเองนะจะหมเราอยู่ในเก่ะแมนว่าพ่อเปรมไปทำสะพานป่าศักด์โน่นนะทางเดินของพวกเราพ่อ่าชะวบ้านไปทำโน่นนายเฟอมาเห็นเ อ, เอาปัญญ์นี่เลยหลวงพ่อ เอาปานนี่แล้วอ่ะไม่มีทางละกดเข้ามาหลายวันแล้วอ่ะเอ้ยถ้างั้นผมจะพาไปหาพู้ว่า <c oughs> ไปก็ไปสิว่าไปเลยหาพ่้ว่า <c oughs> เขาจะไม่เข้าประตูหาพู้ว่าเ <c oughs> ล่าขานั่งอยู่มาทําไมหลวงตางมา <c oughs> หาพ่้ว่ามาทําไมล่ะ มีเรื่องอะไรบอกเราด้วยโอ้ดือดล้อนน้ำท่วมไม่มีทางไรมาหาสู่อยู่ในเกอะเป็นอาทิตย์แล้วตัว่าเข้าไปหาเออเลยขาเขาไปหาพวกว่าท่านนายเพี่นอนผมเป็นพายหลวงพว่อมาบอกเลยขาก็ผมเป็นนายเพ อ, อ่อเชจ้งโคอ เอาฟ้าเข้าไปแล้วก็รอบจอดดีน้าเพล่าไปนะผานุพง์ใช่ไหมน้าเพล่าผานุพงอ่ะตาเข้าไปก็การเพลว่าหลวงพ่อเดือนล่อนชาวบ้านไม่มีข้าวจะกินแล้วน้ําท่วมหลายวันแล้วไหลอยน้าร้อยทําจะปังกระโจ้ มีเดือนลำหนังใช่ไหมอยู่ในวัดเนี่ยไปอยู่ท่าโ น, น่นบ้างท่านี่บ้างคนเหลือคนไปข้ามไปเลือนเล็กๆํำหนังเด่๋ยนนี้หายไปไหนไม่รู้นะ <laughs> เรื่อวัดลาหนังกลุ่มศึกษาเสื้อมาให้พอได้ข้ามลองเทาปินา่นตะปาดว่าก็บอกว่าเออไปเรียกเกาาเี้ยวเาอมาไอเมอไปเรียกเกียวเธมานี่ โยธาก็มานั่งโยธาน้องท้งสะบปรน่พ no ่อเจะกันได้ไหมที่ไหนเบนู่นวใหม่ป่าชุโกโตนอนทำทั่วหมยกันแล้วต้องไปดูก่อนไปดูสิไปดูแล้วมีไงมาบอกเรานะโยธาก็บังว่า ถ่ายอการตำรวจเขียนแปลนออมาทันทีแต่เนอเพราว่าเพราะว่างบประมาณให้มาแม่จะท่านปราสรักนะแม่บอกก็พ่อได้แบบมาเพราะว่าให้มาพอที่จุดก อ, อยากมีทางนี้ทางเป็นเรียนเด็กน้อยมีตรงเรียนเอาทางนี้ดีกว่าตอนตาเลยให้แม่จุดมาชื่อที่ ถ้า่วงตรงนี้ตัดทางไปถ้าไม่ชื่อที่ไม่มีทางนะเรายังเป็นเกาะ น, นะให้แม่จวดมาชื่อที่ตรงไหนตัดทางทะลุไปโนนเอามาลงต ร, ง น, นรนตงนั่นเลยนะนางเพอเอาลูกชายมาบวชที่นี่ท่านนางเพอหลวงพ่อเดือดร้อนมามไปเอาเบอร์ที่ไหนต้องลงเขาไปกระเจิดสมบูรณ์ก่อนขึ้นต่อกระเจิดใช่ไหม อำเภเกษตรสมบูรณ์หลวงตาไม่อยากเป็นคนอําเภอเกษตรสมบูรณ์อยากเป็นคนอํอเอาเภอแจ้งค้อจะทําได้ไหมวะเอาอย่างไงเดี๋ยวนี้มันเขตเกษตรสมบูรณ์กับเขตแจ้งค้อมันลำบากทาวน์นั่นอาเภอจ้งค้ อ, ม, อมีนน้าผาแถวนั่นเองแต่ทั้งนี้เป็นของกเกษตรหมดเลยสิบเปอร์เซ็นตปของอําเภอแจ้งค้อ หลวงพ่อจะออยังไงจะเอาโน่นอ่ะผูเข้าผูคีล้อมห้อยออยางลงไปลาดผนังไปหรเนาะเขียแจ้งข้อะอะไรมั้ยได้ไไดออเอผมจะไปขอกับทหารที่นี่เป็นที่ทหารนะไปขอทหารล้วตัดแผนที่เลยเอาอ๋ อ, อตั้งไดปั๊บได้แล้วหลวงพ่อ เราก็ตั้งได้ก็ตั้งบ้านใหม่เป็นหมู่บ้านขึ้นมาบ้านทาวเวอร์ในเป็นหมบ้านขึ้นมาพ่อผู้ใหญ่คนแรกก็คือผู้ใหญ่สวนน่ะก็พ่อมีผลบ้างเดี๋ยวนี้มันก็มีผลบางแต่ก่อนก็หนุมเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วพอจะยกอยหมดเลี้ยงหมดแรงก็อดีดลำเลึกนะร้อนไปร่องเพลงให้ ถ้าบ้านชาไฟหวานฟังนะสามสิบกว่าปีก่อนเป็นพระนมตั้งกลุ่มเยววาวชนยุวว่งเหตามทางจากหน้าโรงเรียนบ้านกุโมงลงหน้าผาไม่ จ, จัดทางลงเขหนนะ่อตอนเย็นนี่ก็คิอตะเกียงมาเอาคนหนุ่มก็บสาวกดทางไปเลยตัดทางไปเลยได้ตามทางลงเขา ขอไปขอซื้อระเบิดกำลังเพลอีกแล้นะี่ยนางเพอว่าอยากได้ระเบิดดินระเบิดมาระเบิดพูเขาแล้วจะซื้อที่ไหนเอาระเบิดมายัางไงเอาระเบิดมาเห็นเขาเจากระเบิดหินเนี่ยจะทําทางของเขามันไม่ได้ผิดกฎหมายจะไปซื้อดินระเบิดมาได้ไม่ได้ผิดกฎหมายเขา เ้าไม่เชื่อก็ต้องต้องไปเอาไฟเผาห็นเราก็ทุบคิดไปอย่างไงจะปรากฏล่างผาใช่ไหมก่อนํอำทางลงเขามันลำบากมากอาบเขาขึ้นเขาแม่บอกแม่เพียนเขาจานเนี่ยจะสู่ <laughs> จะใช่เนาะไอเพื่อว่ <laughs> า อ่างบใหไสัมผาสขึ้นเขาเลยว่าเจ้าลงนี่นะปฏิสสธได้ทางโน้นไปเลยนั่นก็ร้องเพลงอเจ้า บ, บ้านฟังเมื่อวานเนี่ย <c oughs> ได้ดีดล่ำลึกอยากฟังเพลงล้องตาไหมสามติบกว่าปีตั้งขุมโยชน <c oughs> อ่างออไฟฟ้านเราดีเริงหนามีวัดนำพาฝึกหัดกายใจ จะชนชาหญิงทั่วไปร่วมจิตร่วมใจและค่ายสมาีถ้ามาไปหวานเราดีจังเอ๋ยเป็นดึงได้เลยดินเดนสุขสรรถ้ามาไปหวานไม่มีชนชัน้นไปมาหากันได้อย่างสบายถ้ามาไปหวานเราดีจังหนาลำบ้าเทาไหลมาไหลมา ไ, ไม่ขาดสายเหมือนดึง น, น้ำเหมือนหนึ่งดังาทานน้ําใจร่วมจิตร่วมใจและค่ายปองดองแล้วก่อนก็เด็กก็ร้องเดกกันนะ นมสาวร้องเพลงเดี๋ยวนี้จำไม่ได้หลอคนทั้งหลายลว่าเราสร้างเพลงขึ้นมาเอาลมสาวโยชนมาเข้าวัดเข้าวากันโถหลมสองสอนก็สนุกไปตามคนบ้านเขาบ้านป่าขาดงไปเอาดินบาถมตาลาหน้าเราเนี่ยไปเอาสายนะไม่มีรถด้าเหมือนทุกวันเนนะ เอาหนมสาวบ้านใหม่บ้านกุดโมงเอาล่อน้าไปเข็นขึ้นมามาถมมาปลูกเสลาเนะโอ้จอเจนะ้าก่อนเจ้าหนานี่ขนาดทางเท่านี้เราไปทำไม่ได้เลยนะพ่อเขใหญ่ออนแอเหออรืรอทั่วน้ามีอบตหรือจากนกกำลังจะไปทำถมทางนะ่ะ แต่นี่ยอบตเขบอกว่าจะทำเองอันดินลาดอย่างแค่เนี่ยเอาจอบไว้เอาฉีกไปขุดก็แตกแล้วไอ้เครื่องตัดอยู่เป็นเดือนเราไม่เสร็จเลยวแต่ฮ้ยมันไปไหนหมดมือพวคนนี้น่าสงสารปัญญาอ่อนแล้วก่อนทุวันนจับจอบจับมีดจับเสือไม่เป็นแล้วไปไหมพวกเราบ้านใหม่ ถ้าผู้ใหญ่ก็ทยอยกเอารถพ่อยกไปหาตัดไม้ขอไม้โจคามาสักเป็นเขื่อนนะถ้ามแาแยกใครจะเป็นเกานะหน้าบ้านเรานะเอาไม้โจคามาตัดเป็นเขื่อนเป็นเขืนตีรงสักลงตอกแลก็ทําเป็นขวงใบไม้หน้ําไหลเข้าเข้าม า, มาไปดูไหมเดี๋ยวเนี่ยมันเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะ มันหักลงหน้าไหนาทำไงนะต้องป้องกันซะก่อนเมื่อฝนหน้านี่ก็ซุกแล้วมันมาอีกสองหัวก็หมดเสด็เลยเราอันนี้ก็พูดเล่นไปนะให้ชาวบ้านนะถ้าพระทำไงพระอายชาวบ้านนะแต่มันอดไม่ได้บางโอกาสแต่ก่อนน้องตาเคยไป เอาเหินถมทางแถวนั้นรถติดนะมังจะ บ, าบัางงวดตยวนี้ไม่กทําอบพอของเป็นเจ้าของของหน้าของตาเขาก็ไม่ดีนะให้พ่อทายกให้ผู้ใหญ่บ้านบอกอวตอบ้านใหม่ไป ท, ทําสักหน่อยก็ดีนะแล้วไม่มไหม้ก็เอาโยขาไม่เอามันก่อหลักวัดให้ขออยู่ขาเ ข, ข, ข, ข, ข, ขาก้นปลา กาตัดป่าแหลมๆเราก็ตีลองตีลองตีลองตีลองหลองตาเคยไปทำเก่อนเกาะทับมิงขวดนะน้ำไหลซอกอยู่นะขนาดน้ำเลยเนยแรงกว่ากันนี้จะคองนิดหน่อยไม่ต้องเอาเสายรถอะไรเราทำกันเองอันนี้เราก็ <c oughs> เพื่ออยู่รอดของพวกเราใช้ถนนน้นทาง ใช้น้ำใช้ดินใช้อากาศอะไรที่เกิดจากพวกเราในทุนนี้สมัยนี้อย่าตนันีให้แสดงออกร่วมกันชาวบ้านเป็นชาวบ้านมีพ่อมีแม่ลูกหลานตู้ใหญ่บ้านกำนันในวัดว่าอารามนอกจากนั้นเรามาช่วยตัวเองให้เหนือกานเกิดเจเจ็บตาย เนี่ยมันเรื่องงานของเราอย่าอยู่นิ่งๆถ้าเราหลงอยู่หรือว่าเรามีงานขาดอยู่งานที่ต้องทำถ้าเรามีทุกอยู่หรือว่ามีงานอยู่อย่าประมาทในทุกอย่าประมาทในหลงมันไม่ทุกก็ได้ไม่หลงก็ได้อยู่ถ้ายังมีโกรธมีพอใจไม่พอใจอยู่เมื่อ ง, งานก็เรามีอยู่แค่นี้เหลือเราจะต้อง เกิดบานท้งชาติจะให้มันหลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตายเหรือถ้าเราช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้อยู่ไม่ได้หรอกถ้ารู้จักช่วยตัวเองล้วโอ้ยคิดเห็นคนอื่นเอ็นแต่ร้องตามีผ้าตายีวัก็โทรไปบอกเพื่อนเามันอดไม่ได้ที่จะให้คนอื่นอันเรามีความสุขความไม่หลงไม่โกรธนี่ทำไหมจะมันอดได้ จะต้องบอกกันต้องสอนกันดูแลกันสอนเฉยๆไม่พอต้องมีที่อยู่อาศัยร่วมกันเล้วนึกเราก็มีเพื่อนมีพระสงฆ์อาจารย์ตุ้มโจนี้วัดเราสร้างมานานถู ก, กับเสื่อมโทรมก็ติทุกหลังซ่อมเกือบหมดแล้ว แต่นี่มีช่างช่างซ่อมกติยุยู่สามกลุ่มสามหลังไม่หยุดมาย่อนเลยเพราะทยกยสี่บกว่าปีแล้ ว, วัดเรานะมันกำลังสุดโสมเยอะแยะแล้วเอาจตงช่วยดูแลกันไม่ใช่เพื่อเราเพื่อพวกเราเพื่อลูกลหลานเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินนี้เอาอย่าให้จนเราก็มีไม้มีมือเหมือนกัน อะไรดีอะไรผิดอันผิดก็บอกก่นอันดีก็บอกกันหลงนไม่ดีแน่นอนนะโกรธไม่ดีแน่นอนเป็นภยัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยแต่พวกเราเนี่ยก็ยังเป็นภัยต่อเราอยู่เราจะไปช่วยอะไรได้เรามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเราไม่เพื่อนมีมิตรมีสิ่งที่อาศัยเราอยู่ <c oughs> ในโลกเนี่ย อย่าน้อยกระเด็นฝ้าอากาศอาศัยเราอยู่ธรรมชาติเราไม่ใช่ยิ่งใหญ่หรอกเราต้องให้มันเป็นประโยชน์บ้างอัตตกิริธาประโยชน์ยาตตะกิริยาประโยชน์แก่ญาติพุทธจักกิยาประโยชน์แก่พุทธศาสนาโลตตะกิริยาประโยชน์ต่อโลก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 ไม่มีใครบงก็เบียดเบียนตัวเองอยู่แล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิ ด, ต, ก ด, ต, กดต้องตายเมื่อวานอาจารย์ตุ้มพอไปดูหมอป่วยเป็นโรคบะเร็งกไม่รอดนั่นนะขนาดเป็นหมอก็ยังจะตายอยู่มันมีโรคลกูโลกโรกเดีตร์สงสารกันเด็กป่วพวกเราช่วยกันเอถอะป่วยพร้อมกันกันกนกนกบอาจารย์วรเทพ หรือว่าจะคนที่มาปฏิบัติธรรมนะเป็นเพศสัตว์กรปล่อยร้อมกานจารวาัฒน์เจ้าวัฒน์ก็ไปแล้วมะเร็งหนอเขาเนี่ยก็เป็นมะเร็งตลอให้วันตายมาถึงรอให้วันเก็บปันแกมาถึงเราเลยต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนจึงจะสมกับเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราไม่มีอะไรที่ประเสริฐเรียกว่ามนุษย์เป็นจัดประเสริฐอย่าให้พาดพวกเราที่นี่ก็ช่วยกันอย่าสอนกันอยางนีน้เรื่องเงินเอาไว้ที่หลังเป็นการทีเ่เหล็กไปส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ให้มาเถอะมาอยู่ด้วยกันจะเป็นเจตตาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวชุกยากลา บ, บากก็อยู่ด้วยกันนะ จะไปเปรียบเทียบอะไรมากมายหลังคนอยู่ดีมีสุขมาอยู่นี่ลาบากก็จะไปเปรียบเทียบเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้บ่เราหลงที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนก็หลงเท้าหลงอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นถ้าเรามีมิตรมีเพื่อนนก็ดีแล้วมาอยู่ด้วยกันนะ้วจะได้มีอะไรก็จะต้องบอกกันดูแลกันบ้างเราอยู่ใกล้กันก็ดูแลกันว่าเพวกเราดูแลกันมาทั่วถึง ถ้าไม่เห็นกันก็ถามหาพ่อวานไม่บอกว่าผู้เท่ายาวันล่มนะป็่นร่มเก็บไปแล้วขอหักไปคนตน้งนะพอดีไปหลง่อวานโอมารถกลับบ้านมาวานนะเขาบอกว่าอย่าล่มไนล่มทำไมจังล่มลนะ่ะเอเจ๋อให้ระมัดระวังนะถือไม่เท่า อันใาก็ถือแม็นเท่านะไม่ทำให้คือผู้เท่านะไม่อยากเป็นผู้เท่าหรอกแต่เราจำเป็นต้องถือเวอาเดินมาทมัดนะมันบางทีก็ตื่นใจใช่ไหมตีข้าขอแล้วรีบจุกหมามันก็ช่วยได้นะอ่านผู้เท่านะอ้างว่าตนจยากไม่เจรือต้องถือไม่เท่าบ้างนาเจ็บแล้ว หานิวนเจ็บไปแล้วเดินไม่ได้รล้วเอแม่ทองคำถามกนมาจากลงระวัง <c oughs> ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้นะบอกว่าอย่าล้มอย่าล้มให้ละบ้นระหวงนะัง <c oughs> <c oughs> ดินวัดเราเนี่ยยังใหม่อะมันเก่ามันก็ขึ้นแต่ใครนะ้ามันไม่ลื่นด้วยไม่ใช่คลอนจีด มันมีสะดุดสะดิกพลิกนิดหน่อยก็ร่มแล้วคนแก่แล้วอ่านทางตรงไหนพอช่วยกันก็ช่วยกันถมหลุมถมหมอบ้างเพื่อคนแก่บ้างไม่ ใ, ใช่เราคนหนุ่มไปไหนก็ได้นะสงสารคนแก่บ้างเห็นตอเห็นหลักอยู่ตรงไหนโคตรอกพอที่จะต้องกัน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 ให้รู้จักเลือกว่างอาหารทุก ว, วันนี้การซื้ออยู่ซื้อกนรระวังให้มากรดอีตงเตงเนี่ยใครเป็นคนทำให้เราอาหารผัดๆมันๆอย่าให้มีกันเกินไปสิ่งที่ทอดแล้วทอดอกีกน้ามันอันแล้วทอดแล้วทอดอกีกอันตรายเป็นทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ตามหมอบอกอ๋อกินล่ะร้อน กินร้อนนอนอิ่มร่างมือกินร้อนอะไรที่เขาเขียนคําวงไว้แกใไขวัดสมัยใหม่ <c oughs> อกินร้อนล่างมือกินร้อนอะไรเราจำไม่ต้องล่างมือไว้มีต้องล่างเมื่อวานน้องต า, างเห็นเขาล่างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาเลยนักเรียน จำความจอรงพาบาลนูนวันนี้เ็เปลี่ยนทิศทางใหม่ไข้หวัดป้องกันหลงตาไปประเทศกีนเนี่ยเขาขังไว้เครื่องบินเลยไม่ให้ลงเครื่องบินเลยในแพทย์ชุดเขาใส่มุมงมาขึ้นมายิงไฟใส่ยิงไฟใส่หลงตาหรืกว่าอะไร ไม่เคยเห็นนะนั่งอยู่บนเก้าเตาอี้บนเครื่องบินออกมายิงไปใส่เราก็นะผ่านไปคนนั้นคนเป็นร้อยกว่าจะจบมันมนเป็นชั่วโมงยิงใส่เยิงใส่จานนตเขาจับไปเลย <c oughs> เอาไม่ออกสนามบินเลยลงมาแล้วบอจะถามบินเขาวิ่งมาจับแขนเขินไปเอา้าอะไรนาะบอกหน่อยว่าวมายืนอยู่รอจานนตไม่เห็น มันต้องต่อเครื่องบินสองเที่ยวนะสองต่อไม่เห็นจานนอดมาต้องบอกล่ามไปดูแลที่ะจะเอาเครื่องบินจะออกเวลาเนี่ยตางบินเครื่องนั้นก็จะออกเวลาเนี้ยถ้าไม่รีบก็ไปท้องทิ้งกันหรือเราก็จานน <c oughs> อดเอาก็เลยบอกว่าหนูจะดูแลคนล่ามก็ดูแลเอาไปดูแลนะเขาเลยก็เดินไปหาขึ้นรถอีกต่อหนึ่งที่นะัะ พอดีมาทันนะพอดีโอ้โหโอ้โหว่าเป็นอะไรละะ่ะวะไม่เป็นอะไรละ่ะเขาว่าร่อนเขาเอาไวโดว์ล่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไระตัวร่อนเขาไปนั่งอยู่พักผ่อนนินหน่อยเขาก็ตรวดีขึ้นึ่งอะปลอดภัยแล้วมันทําท่าอะไรก็ไม่รู้นะจะน้อก็แข็งแรงกว่าหลงตานะทำไมเป็นอย่างนี้นนทท เ, เขาจับว่าไม่ออกไม่ออกด่านเลยนะอันนี้ ถ้ามันก็ล่างมือเราจับประตูร่วมการเราจับราวบันไดร่วมการเจินข้าวเจ้นหารใช้ล่างมือทีๆไอทีไปล่ายาด้วยถ้าไม่มีใครไป ม, มีไปขอหลวงตาที่กติมีสองอันไอ <c oughs> ห้องน้าอันนึง่ง้ที่ทำงานอันหนึง่ง หมอชื่อมาให้ล้างมือให้สะอาดนะตัดเล็บมือดีๆที่แบบที่นอนให้อย่าให้มอมมามซักผ้าซักผ่อนเดินไปเดินมาระมัดระวงังอย่าพุนผันผันแล่นปวเท่าก็เจ็บไปแล้วอย่าเจ็บอีกนะไเพี่อนเจ็บนะร <c oughs> ะมัดระวงังแ <c oughs> ล้ดูนี่เราดูฝนชุกนะ <c oughs> อันก็ สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมารู้ตัวเองแก้ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมีงานมีการแล้หลงกับรู้เลยไปให้มันรู้สึกตัวอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะชาววัดเรานาะไม่มีอะไรไม่มีอาชีพอะไรใครมาที่นี่ถือว่าเป็นชาววัดทั้งหมด ใครก็หลงลายคือเหมือนกับเ็าต้องรูแลตัวเองให้ดีๆนะสมควรเจ็เวลาวันนี้กับพระพ้องกันให้เจ้าว่าน